แต่สิ่งที่เราต้องเห็นไปก่อนนั่นก็คือว่ามันอ้องอาศัยความแม่งงานจึงปรากฏไม่ใช่ว่าความสว่างจะอยู่เกิดขึ้นมาลอยลอยมันต้องอาศัยความมืดถึงจะปรากฏอย่างนี้เราเรียกว่าอิทัิปัจจยตาก็ได้คือมันต้องอาศัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีความสว่างต้องอาศัยความมืดถึงปรากฏมันปรากฏได้ยังไง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 ความมืดต้องอายความสว่างจึงปรากฏอย่างง่ายๆคือว่าเงา เ, เงาคนหรือเงาแดดหรือเงาไม้ก็ตามเนี่ยมันต้องมีแดดต้องมีโซ่ความสว่างเพื่ อ, อเกิดเงาขึ้นถ้าไม่มีแดด ก, ก็ไม่มีเงามันคู่กันเลยเป็น้าแฝตลองพิจารณาไปอีกนิดหน่อยอย่างเขาว่าเนี่ยในดวงอาทิตย์มันมีจุดมืดจุดดับ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 แต่ถ้าเกิดรอบๆข้างๆนี่มันไม่สว่างขึ้นมาไอ้ที่กลายเป็นจุดดำนี่มันก็จะสว่างชัดเจนเพราะว่ามันร้อนตั้งพันองศามันร้อนยิ่งกว่าไฟในเตาที่เราจุดเทส ซ, ซี่เมื่อไม่กี่วันมีคนส่งภาพที่ประหลาดมาให้มันจริงหน้าดูมันก็ไม่ค่อยประหลาดหรอกเป็นภาพตารางหมักลุกตารางหมักลุกเราก็มึงภาพออกมีขาวมีดํามีขาวมีดํา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 อันนี้ถ้ามีเวลาก็จะอธิบายต่อไปในชีวิตก็มีความตายในความหนุ่มสาวก็มีความแก่ในความไม่มีโรคก็มีความเจ็บป่วยอยู่อันนี้ไม่ได้พูดเองนะพราะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บป่วยมีอยู่ในความไม่มีโรคและความตายมีอยู่ในชีวิต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 คราวนี้เวลาเราถอดด้ามมันออกมาปากกามันมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นด้ามกับส่วนที่เป็นหัวปากกาลองถอดส่วนที่เป็นด้ามออกถามว่ายังเป็นปากกาอยู่ไหมคราวนี้เราถอดส่วนที่มันเป็นไส้ที่ใส่หมึกอยู่ไปออกไปมันยังเป็นปากกาอยู่ไหมคราวนี้ถอดส่วนที่เป็นหูออกไปมันยังเป็นปากกาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ทุกคนเห็นพร้อมกันว่าไม่ใช่ปากกาแล้ว แต่ก่อนนั้นนั่นน่ะมันเป็นปากกาหรือเปล่าเคยถามหลายๆคนนะถอดให้เขาดูทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วถามให้เขาเขียนคำตอบไว้ว่าตรงไหนที่มันไม่เป็นปากกาแล้วขั้นตอนไหนที่มันไม่เป็นปากกาแล้วเสร็จแล้วเอามาดูกันปกกว่าเห็นไม่ตรงกันบางคนบอกว่าไอ้ตอนที่ถอดเอาด้ามออกนั่นแหละมันไม่เป็นปากกาแล้ว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 แต่เราไปหลงติดว่าไอ้สมมุติเนี่ยคือความจริงแท้แล้วก็ทําให้เรามองอะไรออกมาเป็นเป็นคั่วเป็นขั่วเสร็จ แ, แล้วเราก็ไปยึดไปติดว่าเนี่ยคือความจริงพอไปติดความจริงแล้วพอมันแปรเป็นอื่นเราก็ไม่เข้าใจแล้วแล้วการมองอะไรเป็นคั่วเป็นคั้วนี่ก็ทําให้เรามองอะไรแบบแยกแๆ ก, กันไม่ได้มองอะไรเป็นอย่างเชื่อมโยงไม่ได้คิดว่าเออสิ่งต่างๆนี่มันอิงอาศัยกันนะ ความสว่างต้องอิงอาศัยความมืดความนื่มต้องอิงอาศัยความสว่างการที่อิงอาศัยกันเราเรียกอิทัิปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีการที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้หรือว่าเราจะเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีสิ่งอื่นมาเป็นเหตุเป็นตัดใจเราเรียกว่าสังขารสังขารคือการที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันปรุงแต่งกันได้หลายอย่างอย่างเช่นความสวยอย่างที่ว่ามาความสวยนี้ก็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 ยนไม่มีไฟฟ้าไม่มีตู้เย็นเราก็ไมไ่เดือดร้อนอะไรแต่พอวันหนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าโลกแบ่งออกเป็น3 ส, ส่วนคือประเทศพัฒนากับประเทศด้พัฒนาและประเทศกาลังพัฒนาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาอันนี้เมื่อสักกสิบปีก่อน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 ลาดักนี่มันเป็นเมืองเล็ก ๆ, ๆอยู่ในใกล้ๆทิศเบกใกล้ๆอยู่ในเพลประเทศอินเดียคนลาดักก็เหมือนคนไทยเมื่อสักหกสิเจิปีก่อนเขาก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีความสุขดีแต่พอฝรั่งไปบอกว่าคนลาดักยากจนอันนี้คนลาดักเป็นทุกข์ละวฝรั่งไปทีแรกคนลาดักยิ้มแย้มเพราะว่าเขายังไม่รู้สึกว่าเขายากจน เขาเชื่อว่าคนระดับไปนึกว่าตัวเองเป็นคนยากจนจริงๆตามที่ฝรั่งว่าเอาเท่านี้ตอนนี้เริ่มขอเงินละนักท่องเที่ยวไปก็จะเริ่มมีเด็กลาดักมาขอเงินขอแบมือขอความช่วยเหลือบอกช่วยฉันหน่อยฉันจนฝรั่งที่ไปนี่งงเลยอสิบปีก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แนละ้วรู้สึกจนนี่เพราะเราไปติดสมมุติกันไปติดฉา ย, ยากัน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 ตอนนี้พอเป็นพม่าเป็นไทยแล้วก็ต้องสู้กันเสียก็ไปหาไม้ไปหามีดมีดไม้นี่มาฟันกันฟันกันอย่างเอาจริงเอาจังฟันไปฟันมาไอเด็กที่ชื่อเจ้านี่มีดมันก็หักก็วิ่งหนีชาลีซึ่งสมมุติตัวเองเป็นพมา่าก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ไปไล่มาปรกฏว่าตกลงไปในหลุมขาแพลง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 แันเป็นฝ่ายรัฐบาลแกเป็นฝ่ายค้านและสมมุติอย่างนี้แหละที่มันทำให้เราทะเลาะ ก, กันตีกันซึ่งที่จริงก็ไม่ต่างจากแก้กับชาลีเราไม่ได้ต่างกันเลยนะเราไปว่าแกกับชาลีนันโ ง, ง่แต่เราเองนี่โง่กว่าเขาหรือเปล่านะเพราะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันก็มาจากนะเผ่าพันธุ์เดียวกันมาจากพ่อแม่เดียวกันนะเป็นมนุษยชาติเหมือนกัน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 แต่พอสักสองวันก็ชักเริ่มเหี้ยมแล้วเริ่มใช้ความรุนแรงเติมแล้วก็ด่าว่าคนที่เป็นนักโทษตอนหลังก็เริ่มใช้ความรุนแรงลงโทษบางทีก็ให้ทำท่าร่วมเพศในวิจารแต่ไม่ได้ร่วมเพศจริงบางทีก็มาซ้อมตีส่วนนักโทษก็เริ่มโวยวายอึดอัดขึ้นมาก่อการประท้วง ก, ก็ถูกจับไปขังไว้ในคุกคุกมืด